อย่าซีเรียสเรื่องตาให้แห้งณโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่ง มีอุบัติเหตุคนไข้โรคจิตพลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำลึกที่ไหลเชี่ยวแต่โชคดีที่มีคนไข้โรคจิตผู้ ก, กล้าหาญคนหนึ่งได้ตัดสินใจเสี่ยงชีวิตกระโดดลงไปช่วยไว้ทันวีรกรรมครั้งนี้ได้รับการสันเริญจากผู้คนเป็นอย่างมากวันรุ่งขึ้นทางคณะแพทย์จึงได้ทำการประชุมกันเป็นกรณีพิเศษ ในที่สุดจึงมีมติว่าคนไข้วีรบุรุษคนนั้นมีสุขภาพจิตดีขึ้นมาสมควรที่จะอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเช้าวันต่อมาผู้อำนวยการจึงเรียกคนไข้าชายวียรบุรุษเข้าพบเพื่อแจ้งข่าวให้ทราบเรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าอาการทางจิตของคุณเป็นปกติแล้ว ทางโรงพยาบาลจึงอนุญาตให้คุณกลับบ้านได้ขอบคุณครับเออแต่เราก็มีข่าวร้ายจะแจ้งให้คุณทราบด้วยนะคือคนไข้ที่คุณช่วยชีวิตไวเมื่อวานนะ่ะเขาได้ผูกคอตายเสียแล้วเมื่อเช้านี้เองหมอเสียใจด้วยจริงๆอ๋อคืออย่างนี้ครับคุณหมอไอ้คนนั้นนะ่พะพอผมเอาเขาขึ้นมาแล้ว ผมเห็นว่าตัวเปียกนะ่ะเมื่อคืนนี้ผมเลยเอามันไปแขวนตากแห้งครับเรื่องนี้ให้ข้อคิดว่าสิ่งที่เราเห็นเราสัมผัสอาจไม่ใช่ว่าเป็นจริงดังที่เราคาดคิดเช่นเดียวกันกับเราไม่อาจตัดสินใครจากรูปร่างหน้าตาที่เราเห็นได้อย่างกระจ่างชัดกิจที่เขากระทำบางอย่าง อาจไม่สามารถยืนยันได้โดยทันทีว่าดีหรือชั่วต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วความจริงหลายๆอย่างจะปรากฏขึ้น